จิตที่หดหูย่อมตกไปสู่ความเกียจคร้านภิกษุประคองจิตนั้นแล้วย่อมละความเกียจคร้านเมื่อประคองจิตไว้ยอย่างนี้จิตย่อมไม่ถึงความซัสดสายในบางขณะที่นักปฏิบัติกําหนดรู้สภาวะธรรมปัจจุบันได้ไม่ชัดเจนหรือไม่มีความก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมนักปฏิบัติอาจเกิดความหดหูไม่ต้องการจะปฏิบัติธรรม ความเกียจคร้านย่อมเกิดขึ้นในขณะนั้นนักปฏิบัติควรกำหนดรู้เท่าทันความเกียจคร้านที่เกิดขึ้นแล้วละเสียให้ได้ถ้าละไม่ได้ควรกำหนดรู้ก็ควรประคองจิตให้มีกำลังใจไม่ท้อถอยในที่นี้จะแสดงถึงวิธีประคองจิตเจริญวิริยะสามโภธิชงซึ่งปรากฏในคำพีอัตถกถาพอเป็นตัวอย่างดังนี้ ลาวสัตว์บางพวกที่เกิดในนรกมีร่างกายสูงสคาวุธเทียบได้กับ12กิโลเมตร1คาวุธเท่ากับ4กิโลเมตรสคาวุธเท่ากับ1โยธหรือ16กิโลเมตรนายนิรยบาลบังคับให้นอนหงายบนพื้นเหล็กที่มีเปลวไฟลุกโชนช่วงแล้วใชล้ลิมเหล็กยาวหนึ่งชั่วลำตาลตอกลงไปบนฝ่ามือขวาฝ่ามือซ้าย ขาขวาขาซ้ายและเอวทั้งให้นอนควา่าหรือนอนตะแคงสองด้านแล้วใช้ลิมเหล็กตอกลงไปในร่างกายทั้งห้าแห่งนั้นพวกสัตว์นรกยังไม่ตายตราบเท่าที่กรรมยังส่งผลอยู่พวกเขาได้เห็นพื้นเหล็กที่มีเปลวไฟลุกโจดช่วงได้เห็นเสียงดุดาของนายนิรยบาลและถูกบังคับให้นอนบนพื้นเหล็กถูกไฟเผา และถูกตอกลิ่มเหล็กยอมได้รับความทุกข์ทรมานทางกายและจิตใจอย่างสาหัสในขณะนั้นแม้จะร้องไห้กลั่มคกลวนขอความช่วยเหลือก็ไม่มีใครสงสารอยู่เพียงลำพังสวยผลของกรรมชั่วตลอดกาลอันยาวนานไม่มีโอกาสได้เจริญวิปัสสนาภาวนาในขณะนั้นได้นอกจากนั้น นายนิรยาบาลยังใช้จอบเสียมขูดผิวหนังของสัตว์นรกที่ดิ้นรนไปมาอยู่ในลิมที่ตอกไว้เลือดไหลนองเป็นแม่น้ำแล้วกลายเป็นเปลวไฟเผาร่างกายอีกต่อมานายนิรยาบาลยังทรมานด้วยวิธีอื่นๆเช่นจับห้อยหัวแล้วใช้มีดพลาแล่เนื้อออกมาทีละชิ้นผูกไว้กับรถเหล็กที่มีเปลวไฟร้อนแรง แล้วใช้ท่อนเหล็กแดงหวดตีให้เดินไปบนถนนภูเขาฐานเพลิงเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วก็บังคับให้ลงมาอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อมาได้ถูกจับโยนลงไปในหม้อเหล็กที่มีน้ำเดือดพล่านซึ่งเรียกว่าโลหะกุมพีเหมือนเมล็ดข้าวในหม้อข้าวที่มีน้ำเดือดจมลงถึงก้นหม้อ เป็นเวลาสามหมื่นปีแล้วอีกสามหมื่นปีจึงลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำต้องสเสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัส ต, ต่อมานายนิรยบาลย่อมจับสัตว์นรกที่ยังไม่ตายเพราะผลกรรมยังไม่หมดสิน้นโยนเข้าไปในนรกที่เหมือนกับหีบเหล็กสี่เหลี่ยมซึ่งมีเปลวไฟลุกโชนกว้างยาวและสูงด้านละร้อยโยธ เปเลวไฟไหม้ผนังทิศตะวันออกแผดเผาทะลุผนังทิศตะวันตกออกไปร้อยโยดเปเลวไฟไหม้ผนังทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ด้านบนและด้านล่างก็เช่นเดียวกันสัตว์นรกในเหีบเหล็กนั้นร้องกรวนกรางวิ่งหนีไปมาสวยทุกขเวทนาแสนสาหัส เมื่อการเวลาผ่านไปช้านานประตูนรกด้านหนึ่งก็เปิดออกสัตว์นรกพากันวิ่งมาทางประตูด้านนี้บางวิ่งมาไม่ถึงบางวิ่งมาถึงปากประตูบางวิ่งออกมานอกประตูได้ประตูนรกนั้นก็ปิดลงอีกเมื่อผ่านไปหลายแสนปีสัตว์นรกก็วิ่งออกนอกประตูไปตกลงในนรกขุมคูดถูกนอนใหญ่เท่าคอช้าง หรือลำเรือกัดกินเลือดเนื้อได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสเมื่อพ้นนรกหลุมคูดแล้วสัตว์นรกย่อมไปเกิดในนรกที่มีขี้เท่าร้อนสูงเท่าหลังคาบ้านถูกขี้เท่าร้อนเผาผลาญได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสเมื่อพ้นจากนรกนั้นแล้วย่อมไปเกิดในนรกปางิ้วที่มี้ํายาว16นิ้ว มีไฟลุกโชดช่วงนายนิรยาบาลทุบตีให้ปีนขึ้นลงบนต้นยิ้วน้ำยิ้วจะทิ่มปลายลงเมื่อสัตว์นรกปีนขึ้นและชูปลายขึ้นเมื่อสัตว์นรกปีนลงพวกเขาต่างหวาดกลัวปีนขึ้นลงต้นยิ้วถูกน้ำยิ้วทิ่มแทงได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสเมื่อพ้นจากนรกนั้นแล้ว ย่อมไปเกิดในนรกป่าดาโดยใบไม้เป็นดาเลือดเฉือนอวัยวะในร่างกายพอสัตว์นรกวิ่งหนีก็มีใบมีดผุดขึ้นบนพื้นเชือดเฉือนร่างกายมีกำแพงเหล็กสูงใหญ่กั้นอยู่ไม่ให้หนีพ้นไปได้เมื่อพ้นจากนารกนั้นแล้วย่อมไปเกิดในนรกลำทานหวายที่เรียกว่าเวตระนีนรกนั้น มีน้ำเหล็กเดือดพล่านเถาวันและใบบัวในลำธารเป็นใบมีดใต้ลำธารก็มีใบมีดปักไว้ทั่วบริเวณฝั่งมีหวายเถาวันและหญ้าแฝกคมเหมือนใบมีดสัตว์นรกลงสู่ลำธารและถูกใบมีดเชืออเชอนแล้วลอยไปตามลำธารที่มีน้ำเหล็กเดือดพล่านถูกเถาวันและใบบัวในลำธารเชื้อเือน เมื่อลอยไปถึงริมฝั่งก็ถูกไห ว, ถว์ถาวนและย่แฝกเชื้อเชื้ร่างกายนายนิรยบาลเห็นสัตว์นรกที่จมน้ำหรือลอยน้ำอยู่อย่างนั้นก็ใช้เบ็ดตกปลาดึงขึ้นมาแล้วถามว่าต้องการอะไรพวกเขาตอบว่าอยากกินข้าวนายนิรยบาลถือเอากระบุงที่เต็มไปด้วยก้อนเหล็กร้อนสัตว์นรกพากันกลัวปิดปากไว้แน่น นายนิรยาบาลคนหนึ่งก็เอาคีมเหล็กงัดปากให้อ้าออกอีกคนนึงหยิบก้อนเหล็กร้อนใส่เข้าไปในปากก้อนเหล็กร้อนได้แผดเผาปากลิ้นเพดานคอลำไส้แล้วไหลออกทางทวารล่างถ้าสัตว์นรกบอกว่าอยากกินน้ํานายนี้ระยาบาลก็จะเอาน้ําเหล็กร้อนกรอกใส่ปากน้ําเหล็กร้อนนั้นก็เผาผลาญอวัยวะต่างๆ แล้วไหลออกทางทวานล่างเช่นเดียวกับเมื่อสัตว์นรกนั้นเสวยทุกขเวทนาตลอดการอันยาวนานแล้วยังชดใช้กรรมไม่หมดก็จะไปเกิดในนรกอื่นต่อไปในที่นี้กล่าวถึงเรื่องนรกไว้โดยสังเกตซึ่งปรากฏโดยพิสดารในพานบัณฑิตสูตรและเทวทูตสูตรเป็นต้นจะเห็นได้ว่าสัตว์นรกเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัส ในนรกอย่างนี้ย่อมไม่มีโอกาสเจริญวิปัสนาภาวนาแม้ผู้ที่ไปเกิดในอบายภูมิอื่นโดยเป็นสัตว์ดรัจฉานเปรตอสุรกายต้องรับผลกรรมตามสมควรก็ไม่มีโอกาสเจริญวิปัสนาภาวนาเช่นปลาที่ติดอยู่ในแหแล้วถูกฆ่าวัวควายที่ถูกประตักแทงต้องนำพาระในรถหรือเกวียนให้เคลื่อนเดินทางไป เปรตที่หิวโหยตลอดการอันยาวนานผ่านสมัยของพระพุทธเจ้าสองพระองค์สามพระองค์หรือสี่พระองค์อสุรกายในการการจิกภูมิที่ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกสูงเจหรือ8ปศสอกต้องอดอยากหิวโหยทนต่อลมแดดเป็นเวลานา น, านดังนี้เป็นต้น สูเมศดาบทได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าที่ปังกอแล้วได้สั่งสมบา ร, รมีโพธิสมภารเรื่อยมาจนครบสีอสงไขยแสนมหากับจึงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าโคตมะผู้เป็นาศาสดาของชาวพุทธในปัจจุบันตลอดระยะเวลาที่บำเพ็ญบา ร, รมีมานี้พระองค์ได้โอกาสอุปสมบทเป็นภิกษุ ในพระพุทธศาสนาและปฏิบัติวิปัสนาจนบรรลุวิปัสนาญาณที่11เพียง9ชาติมีสาธกในอัธกถาของคำพีพุทธวงศ์ว่า 1. เมื่อเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิพระนามว่าวิชิตตาวี ทรงอุปสมบทและได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าโกนธัญญาสเมื่อเสวยพระชาติเป็นพราหมณ์สุรุจิได้อุปสมบทและได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้ามังคละ 3. ได้เสวยพระชาติเป็นพรามณ์อุตระได้อุปสมบทและได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าสุเมธะ 4. ได้เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรด ทรงอุปสมบทและได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าสุชาติ Thirty 5. เ mm ม hmm. well <des> ื่อเสวยพระชาติเป็นกษัตริย์พระนามว่าวิชิตาวีทรงอุปสมบทและได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าพุทจ่าเมื่อเสวยพระชาติเป็นกษัตริย์พระนามว่าสุทัศนะทรงอุปสมบทและได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าเวสโภู์ เมื่อเสวยพระชาติเป็นกษัตริย์พระนามว่าเขมาทรงอุปสมบทและได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้ากักุสันแเมื่อเสวยพระชาติเป็นกษัตริย์พระนามว่าบันพธทรงอุปสมบทและได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าโกนาคม 9. เมื่อเสวยพระชาติเป็นพรามชื่อโชติปาละได้อุปสมบทและได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้ากัสปะ ท่านผู้จเจริญวิปัสนาภาวนาจงอย่าประมาทอย่ากเกียจคร้านถ้ามัวประมาทอยู่ก็จะหลุดพ้นจากสังสารวัติไม่ได้เมื่อหลุดพ้นไม่ได้ก็อาจไปเกิดในนรกสวยทุกอันใหญ่หลวงซึ่งเคยพบมาแล้วในขณะนั้นแม้จะร้องไห้รำพันก็ไม่มีใครช่วยเหลือได้บัดนี้ท่านได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา น่บเป็นโอกาสปฏิบัติธรรมอันประเสริฐจงอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ควรปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดาที่ตรัสเตือนไว้ว่าจงเจริญภาวนาเถิดภิกษุอย่ามัวประมาทอย่าปล่อยใจให้หลงไหลในกาลมคุณอย่าประมาทแล้วเกลือนกินก้อนเหล็กแดงอย่าปล่อยให้ความทุกข์เผาผลานแล้วกล้าครวญว่า โอนี่ทุกจริงจริงพระพุทธดำรัสที่กล่าวมานี้เป็นการพิจารณาภัยในอบายภูมินักปฏิบัติอาจพิจารณาประโยชน์ของการเจริญวิปั ส, สนาได้บ้างกล่าวคือการเจริญวิปั ส, สนามีประโยชน์เพื่อให้บรรลุมรรคผลและนิพพานหลุดพ้นจากทุกข์ในอบายภูมิและสังสารวัฏประโยชน์ดังกล่าวไม่อาจบังคับด้วยความเพียรที่ย่อหย่อน แม้การสแสวงหาทรัพย์นับพันนับหมื่นก็ต้องใช้ความพยายามมากคนที่ยอมลำบากทำงานหนึ่งเดือนแล้วอยู่สบายชั่วชีวิตก็จะตั้งใจทำงานนั้นในกรณีเดียวกันการยอมลำบากภาคเพียรเจริญวิปัสสนาเป็นเวลาครึ่งเดือนหนึ่งเดือนหรือสองเดือนเป็นต้นแล้วหลุดพ้นจากทุกในสังสารวัรทั้งปวง จัดเป็นกิจที่คุ้มค่ากว่าประโยชน์ทางโลกมากมายดังนั้นจึงควรเพียรเจริญวิปัสสนาด้วยความไม่ประมาทอีกนายหนึ่งนักปฏิบัติควรพิจารณาหนทางดำเนินไปของพระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวคือวิปัสสนาภาวนามิใช่ทางดำเนินไปของคนสา ม, มัญที่มัวประมาทเกียรติคร้านแต่ เป็นทางดำเนินไปของพระอริยันได้แก่พระพุทธเจ้าพระปัิเจกพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลายผู้ที่ดำเนินไปตามทางนี้ได้ชื่อว่าตามรอยบาทของพระอริยเหล่านั้นด้วยเหตุนี้จึงควรเพียรปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นทางดำเนินไปของพระอริยทั้งหลายอีกนายหนึ่ง นักปฏิบัติที่เป็นภิกษุควรมีความเคารพในก้อนข้าวของชาวบ้านหมายความว่าชาวบ้านพากันสแสวงหาทรัพย์ด้วยความเหน็ดเหนื่อยทั้งกลางวันและกลางคืนบางคนเสี่ยงตายหาทรัพย์เลี้ยงชีพพวกเขาใช้สอยทรัพย์ที่ตนหามาได้พอสมควรแต่สละสทรัพย์ถวายสิ่งของที่ดีเลิศแก่ภิกษุการสละทรัพย์ให้ทานดังกล่าว ไม่ใช่ให้แก่ญาติมิตรไม่ใช่การตอบแทนอุปการะคุณและไม่ใช่ให้ทานโดยมุ่งหวังลาบยศฐานันดรแต่พวกเขาคิดว่าภิกษุเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมคือศีลสมาธิและปัญญาทานที่ถวายแด่ภิกษุมีผลมากสามารถให้ผลที่เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติได้ เหมือนการปลูกมเมล็ดโพซึ่งให้ผลเป็นต้นโพใหญ่ขนาดการต่อไปแต่ถ้าภิกษุผู้รับทานไม่เพียบพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญาอย่างแท้จริงทานที่ถวายก็มีผลไม่มากนักดังนั้นภิกษุผู้มีความเคารพในก้อนข้าวของชาวบ้านจึงควรบำเพ็ญศีลสมาธิและวิปัสสนาปัญญาให้บริบูรณ ถ้าเธอเป็นคนเกียจคร้านมัวประมาทอยู่ก็จัดว่าเป็นผู้ไม่เคารพในก้อนข้าวของชาวบ้านดังข้อความในอักขังขยสูตรว่าเสนาสนะและยารักษาโรคของบุคคลเหล่าใดทานนั้นของบุคคลเหล่านั้นจงมีผลมากมีอนิสงมากเธอพึงเป็นผู้บำเพ็ญศีลอย่างบริบูรณ์เพียรเจริญสมถทะที่สงบจิตของตน เป็นผู้ไม่ปราศจากฌานถึงพร้อมด้วยวิปั ส, สนาอยู่ในเรือนว่างเจริญสมถะและวิปั ส, สนาตามนายนี้ภิกษุควรพิจารณาว่าชาวบ้านเชื่อถือข้อวัดปฏิบัติของเราแล้วถวายจีวรและบิณฑบาตเป็นต้นพวกเขาไม่ได้หวังสิ่งใดจากเราเพียงปรารถนาความสุขในมนุษย์สวรรค์และนิพพาน เราบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่อย่างไม่ลำบากด้วยความเย็นความร้อนความหิวกระหายไม่ต้องเดือดร้อนในการแสวงหาปัจจัยสี่มีโอกาสปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดายอย่างอิสระชาวบ้านทั้งหลายจึงมีอุปการะมากแก่เราถ้าเรามัวประมาทเกียรคร้านอยู่ไม่เพียรเจริญศีลสมาธิและวิปัสสนาปัญญาให้บริบูรณ ชาวบ้านเขาจะได้รับผลจากการให้ทานไม่มากนักด้วยเหตุนี้เราจึงควรหมั่นเจริญวิปัสนาด้วยความบากบันภิกษุผู้ระลึกอย่างนี้แล้วเจริญวิปัสนาด้วยความเพียรที่มีองค์สี่คือยอมให้ร่างกายเหลือเพียงหนังเอ็นและกระดูกและยอมให้เลือดเนื้อในร่างกายเหือดแห้งไป ถ้าไม่บรรลุธรรมก็จะไม่หยุดยั้งความเพียรย่อมอาจบรรลุธรรมจนถึงอรหัตผลเหมือนพระมหามิตรตะที่กล่าวไว้ในคำภีวิสุทธิมากและเหมือนพระปิณฑ ป, ปาติกะติสสะที่กล่าวไว้ในอัตถกถาของอังคุตรนิกายแม้ในสังยุตตนิกายก็มีพระพุทธวจนะว่า กุลบุตรผู้บวช ด, ด้วยศรัทธาควรปรารบความเพียรที่มีองค์สีคือหนังเอน็นและกระดูกจงเหลืออยู่โดยแท้เนื้อและเลือดในร่างกายจงแห้งไปเถิดเมื่ อ, อยังไม่บรรลุมรรคผลก็ควรบรรลุ ด, ด้วยกำลังความเพียรและความบากบั่นของบุรุษการหยุดยั้งความเพียรจกไม่มีดูกราภิกษุทั้งหลาย การบรรลุมรคผลอันประเสริฐย่อมไม่มีด้วยอินทรีห้าที่ย่อหย่อนแต่การบรรลุมรคผลอันประเสริฐย่อมมีได้ด้วยอินทรีห้าที่แก่กล้าสูงสุดดังนั้นพวกเธอจงปราลบความเพียรเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อให้ได้ธรรมที่ยังไม่ได้รับเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้กระทําให้แจ้งพวกเธอพึงสำเนียกว่า โดยประการดังนี้การบวชของพวกเรานี้จะไม่เป็นหมันมีผลมีกำไรอันหนึ่งพวกเราใช้สอยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและยารักษาโรคของบุคคลเหล่าใดทานนั้นของบุคคลเหล่านั้นในเราทั้งหลายจากมีผลมากมีอนิสงมากดูกราภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสําเนีกอย่างนี้ ดูกรัภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เห็นประโยชน์ตนควรยังสิกขาสามให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทภิกษุผู้เห็นประโยชน์ผู้อื่นควรยังสิกขาสามให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทภิกษุผู้เห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายควรยังสิกขาสามให้ถึงพร้อมด้วยควยามไม่ประมาทนอกจากความเคารพในก้อนข้าวของชาวบ้านที่กล่าวมานี้ นักปฏิบัติอาจพิจารณาความประเสริฐที่ได้เป็นทายาทผู้รับมรดกโลกรัตธรรมพิจารณาความประเสริฐแห่งพระบรมศาสดาผู้ทรงแนะนําสั่งสอนพิจารณาความเพียรอันอกกริชของพระโสณนะหรือลํำพึงถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณควรพิจารณาความหมดจดแห่งศีล หรือฟังพระสูตรที่น่าเลื่อมใสดังที่ปรากฏในเรื่องปิติสัมโพชงเมื่อนักปฏิบัติพิจารณาตามวิธีเหล่านี้อย่างเดียวหรือหลายอย่างย่อมเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรมในขณะนั้นจิตจะตั้งมั่นแน่วแน่สามารถกำหนดรู้เท่าทันสภาวะธรรมปัจจุบันได้ ความพยายามยิ่งจิตที่พยายามยิ่งย่อมตกไปสู่ความฟาุ้งซ่านภิกษุผ่อนจิตนั้นแล้วย่อมละความฟาุ้งซ่านเมื่อผ่อนจิตอย่างนี้จิตย่อมไม่ถึงความซัดสายในบางขณะนักปฏิบัติอาจตั้งใจกำหนดจนเกินพอดีโดยคิดว่าจะรับรู้เท่าทันทุกสภาวะธรรมปัจจุบันที่เกิดขึ้นเมื่อนั้นอาจคิดฟุ้งซ่านว่า เราได้กำหนดรู้เท่าทันทุกอย่างหรือไม่ลืมกำหนดรู้สภาวะธรรมไหนบ้างหรืออาจคิดว่าเราพยายามจนสุดความสามารถแล้วแต่ทำไมจึงไม่ก้าวหน้ามากกว่านี้ความฟุ้งซ่านข้างต้นทำให้สติไม่ต่อเนื่องในปัจจุบันอารมณ์เพราะมีความฟุ้งซ่านเกิดแทรกซ้อนอยู่ความพยายามยิ่งจึงเป็นอุปสรรค ประการหนึ่งของสมาธิความฟุ้งซ่านที่กล่าวถึงอุปสรรคของสมาธิข้อแรกและข้อที่สีนี้มีลักษณะต่างกันกล่าวคือความฟุ้งซ่านในข้อแรกเป็นการซัดจิตไปสู่อารมณ์ที่ห่างไกลอนลวงมาแล้วเป็นความฟุ้งซ่านเกี่ยวกับการกาหนดซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว นักปฏิบัติรู้สึกว่าตนมีความเพียรมากเกินพอดีควรผ่อนปรนจิตด้วยการพิจารณาว่าสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับของตนและจะพยายามมากก็อาจจะไม่ก้าวหน้าได้เพราะความก้าวหน้าในการปฏิบัติย่อมเกิดขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่จะก่อให้ผลคือวิปัสสนาญาณเกิดขึ้น ดังนั้นการกาหนดรู้ตามสมควรไม่ตึงจนเกินไปการผ่อนจิตอย่างนี้ทําให้วิริยะลดลงส่งผลให้จิตตั้งมั่นมีสมาธิอย่างรวดเร็วความปรารถนายิ่งจิตที่ปรารถนายิ่งย่อมตกไปสู่ความพอใจภิกษุรู้จิตนั้นแล้วย่อมละความพอใจเมื่อละความพอใจอย่างนี้ จิตย่อมไม่ถึงความซัสดสายในบางขณะที่นักปฏิบัติกาหนดรู้เท่าทันสภาวะธรรมได้เป็นอย่างดีอา จ, จเจริญความปรารถนาที่บรรลุความก้าวหน้าซึ่งได้แก่วิปัสนาญาณขั้นสูงขึ้นไปหรือมรรคผลความปรารถนานี้เป็นความพอใจที่จัดเป็นโลภะขณะนั้นควรที่จะกำหนดรู้ความปรารถนายิ่งนั้น เมื่อนักปฏิบัติกำหนดรู้ดังนี้ย่อมละโลภะได้ด้วยการกำหนดรู้เท่าทันจิตก็จะเริ่มตั้งมั่นเป็นสมาธิในขณะนั้นวิธีละกิเลสมีโลภะเป็นต้นด้วยการกำหนดรู้จะกล่าวถึงในปริเชตที่สต่อไปความท้อถอยจิตที่ท้อถอยย่อมตกไปสู่ความไม่พอใจภิกษุรู้จิตนั้นแล้วย่อมละความไม่พอใจ เมื่อลกความไม่พอใจอย่างนี้จิตย่อมไม่ถึงความซัดสายผู้ปฏิบัติธรรมนานหลายวันหรือหลายเดือนอาจเกิดความท้อถอยเมื่อไม่ประสบความก้าวหน้าในการปฏิบัติจนกระทั่งคิดจะเลิกปฏิบัติธรรมความท้อถอยดังกล่าวเกิดร่วมกับความไม่พอใจจัดว่าเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงของสมาธินักปฏิบัติพึงกาหนดความท้อถอย ซึ่งทำได้ยากจะออกจากกรรมฐานซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าจะหายไปเมื่อความท้อถอยหายไปแล้วจิตก็จะสงบนิ่งมีสมาธิความตั้งมั่นในอารมณ์สประการนักปฏิบัติที่กำจัดอุปสรรคของสมาธิ6ประการตามวิธีที่กล่าวมาแล้วย่อมไม่คำนึงถึงอดีตไม่คาดถึงอนาคต ปราศจากความหดหู่ไม่พยายามยิ่งหรือปรารถนายิ่งและไม่ท้อถอยสามารถรู้เท่าทันรูปนามในปัจจุบันขณะได้อย่างชัดเจนในขณะนั้นสมาธิที่ตั้งมั่นย่อมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีกิเลสเจือปนคำพีปฏิสัมพิธามักกล่าวถึงความตั้งมั่นในอารมณ์สีประการ ซึ่งมีวิปัสนาอยู่ประเภทหนึ่งคือ 1. ความตั้งมั่นในการให้ทาน 2. ความตั้งมั่นในอารมณ์ของสมถภาวนา 3. ความตั้งมั่นในสภาวะดับไปของรูปนาม 4. ความตั้งมั่นในความดับสนิทของรูปนามทั้งหมดมีข้อความในคำภีนั้นว่าจิตที่บริสุทธิ์ผุดพองด้วยฐานะ6ประการเหล่านี้ ย่อม no ถึงความตั้งมั่นความตั้งมั่นเหล่านั้นคืออะไรคือความตั้งมั่นที่ปรากฏโดยให้ทานความตั้งมั่นที่ปรากฏโดยอารมณ์ของสมถภาวนาความตั้งมั่นที่ปรากฏโดยสภาวะดับไปและความตั้งมั่นที่ปรากฏโดยความดับสนิทแห่งสังขารทั้งปวงความตั้งมั่นที่ปรากฏโดยการให้ทาน ย่อมมีแก่ผู้น้อมใจในการบริจาคความตั้งมั่นที่ปรากฏโดยอารมณ์ของสมถะภาวนาย่อมมีแก่ผู้ปฏิบัติสมถะภาวนาความตั้งมั่นที่ปรากฏโดยลักษณะดับไปย่อมมีแก่ผู้เจริญวิปัสนาภาวนาส่วนความตั้งมั่นที่ปรากฏโดยความดับสนิทแห่งสังขารทั้งปวงย่อมมีแก่พระอริยาบุคคลทั้งหลาย ข้อความข้างต้นหมายความว่าจิตของผู้ที่กาจัดอุปสรรค6ประการที่กล่าวมาแล้วนั้นย่อมไม่คำนึงถึงอดีตไม่คาดหวังอนาคตเป็นต้นสามารถกำหนดรู้เท่าทันสภาวธรรมที่เป็นรูปนามได้อย่างชัดเจนวิปัสนาจิตที่หมดจดจากนิวรณ์อย่างนี้ย่อมตั้งมั่นในปัจจุบันอารมณ์ไม่แปลเปลี่ยนด้วยกิเลส อนนในบรรดาความตั้งมั่นในอารมณ์สี่ประการความตั้งมั่นที่ปรากฏโดยการให้ทานย่อมมีได้เมื่อบุคคลตั้งใจมั่นในการที่จะให้ทานเท่านั้นซึ่งเป็นลักษณะที่อารมณ์อื่นและนิวรณ์จะไม่เกิดแทรกซ้อนผู้ที่จเจริญสมถะภาวนามีอารมณ์เดียวคือสมณะทารมณ์ ในขณะที่บรรลุอุปจารสมาธิหรืออัปนาสมาธิซึ่งเป็นจิตวิสุทธิของสมัติญานิกะผู้ที่เจริญวิปัสนาภาวนามีอารมณ์เดียวคือรูปนามตั้งแต่เกิดนามรูปปริเฉทยานเป็นต้นไปแต่เมื่อบรรลุพังคยานเป็นต้นไปจนถึงอนุโลมญาแล้ว จะรับรู้สภาวะดับไปของรูปนามเป็นหลักซึ่งเป็นคณิกะสมาธิระดับสูงของวิปัสสนานายิกะนอกจากนี้เมื่อวิปัสสนาจิตมีกำลังแก่กล้าอย่างสูงสุดก็จะบรรลุพระนิพพานซึ่งเป็นสภาวะที่ดับรูปนามสังขารทั้งหมดในขณะบรรลุมรรคผลจบปริเชตที่สอง